การบรราธิการพระเจ้าลทองกันกากรากลากาเป็นหนังสือหน้าสองนกะคะกะารกาพมรัตนาธิกพรกันก่ะองศูน6 ว่าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ให้ผลโดยไม่จำกัดการเท่านั้นนะแต่จริงๆเนี่ยทำเนี่ยสามารถที่ประกอบเองหรือว่าสามารถที่จะบำเพ็ญได้โดยไม่จำกัดการโดยเช่นเดียวกันธรรมะเนี่ยสามารถจะบำเพ็ญสามารถที่จะทําได้ทุกเวลาอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่ พวกเราผู้ฝ่ายทำจะเป็นตหนักเอาไว้เราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมบเำเพ็ญธรรมได้ทุกเวลาไม่ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาไปวัดเข้าคอร์สเริ่มต้ น, นตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้เลย สมัยหนึ่งตอนที่อาตมาเพิ่งบวชใหม่ๆบวชได้สักสองอาทิตย์นะก็ย้ายจากวัดทองพระคุณซึ่งเป็นวัดที่ได้บวชไปยังวัดสนามในเพื่อไปศึกษาปฏิบัตธิธรรมกข้อเทียนจิตสุโพ ไปแค่วันแรกนะท่านก็มาสนทนาด้วยเพราะว่าหลวงพ่อคำเขียนคือหลวงพ่อมอตมาที่ได้ฝากให้หลวงพ่อเทียนได้ช่วยดูแลเนื่องจากหลวงอมตมาจะไปปฏิบัติกับหลวงพ่อคำเขียนที่จังหวัดชายภูมิแต่ไม่สะดวกหลวงพ่อคำเขียนแน่ว่าให้มาปฏิบัติที่วัดสนามในดีกว่าพระหลวงพ่พเทียนเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคำเขียนด้วย คำถามหนึ่งที่อาตมาได้ได้ถามหลงพ่อเทียนหลังจากที่ท่านได้แนะนำการปฏิบัติแล้วก็คือว่าปฏิบัติวันละกี่ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อไหรถึงเมื่อไหร่เพราะตอนนั้นคิดตามภาษาคนที่เพิ่งบทหมายว่ามันคงมีเวลาปฏิบัติทําแบบเวลาทําการนะออฟฟิศเอา9โมง -4 โมงเย็น ขนาดนั้นเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าไปดึงยากนะเพราะว่าตอนนั้นอายุเพิ่งยี่ิบหกถึงแมาสนใจในเรื่องธรรมะแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติในเรื่องภาวนาจริงจังก็เคยเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าทําได้ไม่ทนปฏิบัติได้ไม่นานแต่ว่าก็ตั้งใจไว้แล้วว่ามาบวชนะก็ตั้งใจจะปฏิบัติเต็มที่ ตามเวลาที่มีหรือที่กาหนดคือสามเดือนว่าเทียนท่านตอบว่าทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนเข้านอนเลยตอนนั้นก็รู้สึกเสียหู้ขึ้นมานะโอ้ขนาดก็มงเช้าสี่โมงเย็นนี่ก็มันก็ยากแล้วอันนั้นเป็นเพราะว่าอตาตมา ย, ยังเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมได้ ไม่ชัดเจน <c oughs> คือไปคิดว่าการปฏิบัติและจะเป็นการเจริญสติแนวลำพเทียนเนี่ยก็คิดว่ามันจะมีแต่การภาวนาในรูปแบบหรือยกมือสร้างจังหวะแล้วก็เดินตรงกลมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการภาวนาหรือ ว, ว่าการเจริญสติเนี่ยมันต้องมทมตั้งแต่ตื่นนอนหรือรู้สึกตัวขึ้นมาเลย อาบน้ำผูฟันล้างหน้ากินข้าวเข้าห้องน้ำบินทบาตทั้งหมดนี้เนี่ยร้วนแล้วแต่เป็นเวลาที่สามารถจะปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นเลยเพราะการสร้างความรู้สึกตัวหรือว่าการเจริญสติ ที่จริงเนี่ยนะเราต้องพยายามที่จะใช้เวลานะที่มีอยู่ทันทีที่ตื่นทันทีที่รู้สึกตัวเนี่ยเพื่อการปฏิบัติเมื่อตอมามาอยู่กับหลวงพ่อคำเขียนตั้งแต่ภรรษาแรก สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อท่านได้แนะนำสำหรับนักปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นภาพืิโยก็คือว่าให้รู้จักช่วยโอกาสให้รู้จักช่วยโอกาสคาว่าช่วยโอกาสเนี่ยเรามักจะเข้าใจไปในทางที่เป็นลบช่วยโอกาสเอาเปรียบผู้อื่นช่วยโอกาสค้ากาไรเกินควรแต่สาหรับ หดยเวาะขีนท่านมองว่าโชวากาศนี้เป็นเรื่องดีโชวากาศปฏิบัติธรรมโชวากาศเจริญสติทุกเวลาแล้วก็ทุกเหตุการณ์ด้วยไม่ใช่แต่เฉพา ะ, ะตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าหูฟังแล้วโชวากาศเพื่อการเจริญสติเกเกี่ยวตักตวงเสริมสร้างสติ กินข้าวนะก็เช่นกันไปจนถึงการกว่าใบไม้การบินทบาทแต่ท่านั้นยังไม่พอนะไม่เพ้ยงเวลามีอะไรมากระทบที่ทำให้เกิดความไม่พอใจเช่นรูรถ กลิ่นเสียงสัมผัสที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาดร้อนดุกจิก เ, เยียบกรวดทั้งหมดนี้เนี่ยมันรูปลักแตะเป็นสัมผัสที่ไม่พึงปรารถนาทำให้เกิดความเจ็บความปวด สําักาปฏิบัติธรรมนะตามที่หลวงพ่อคําเียนแนะนำก็คือต้องโชโอกาสนะโชวโอกาสในการที่จะดูดูอะไรดูใจในยาที่เกิดการกระทบเช่นว่านี้ขึ้นมาคนส่วนใหญ่ นอกจากจะไม่โชว์โอกาสแล้วเนี่ยกับปล่อยให้ความทุกข์เนี่ยรวมทั้งอารมณ์อกุศลเนี่ยเข้ามาครอบงำใจคือก็มีทุกขเวทนาแล้วก็เกิดความไม่พอใจบางทีเกิดอกุศลจิตขึ้นมาเช่นยุงกัดก็อยากจะตบยุงตัวนั้นนก็กลายเป็นว่านอกจากจะเกิดทุกข์แล้ว จิตยังเป็นอกุศลที่โน้มที่จะไปสู่การทำบาปอันนี้เรียกว่าขาดทุนคือนอกจากจะจะเจ็บนอกจากจะร้อนนอกจากจะคันแล้วยังเกิดอกุศลจิตขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักโชวโ์การนะมาดูใจ ตอนที่เกิดทุกขเวทนาเกิดความเจ็บความปวดความคันใจมันเป็นอย่างไรใจมั น, นบนโวยวายติดโพตินพายหัวผลักใสนะรวมทั้งอาจจะเกิดความรู้สึกหรือเจตนาที่อยากจะทำร้ายนะตอโต้ อาการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเมื่อไม่มีสติเมื่อเกิดการกระทบนะทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จับโอโกาสนะเราก็จะได้มีสติที่ไวนะคือรู้ทัน อารมณ์ที่เกิดขึ้นได้เห็นความโกรธได้เห็นโทสะเพียงแค่เห็นนี่ก็ได้ประโยชน์แล้วนะถึงแม้ว่าจะห้ามมันเกิดไม่ได้แต่ว่าเพียงแค่เห็นเนี่ยมันก็ทำให้สติของเราเนี่ยว่องไวปราดเปรียวทันทีที่เราโฉลกาจากเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย เรากุศลจิตมันจะครอบงำหรือว่ารังควาเราได้น้อยลงนี่เป็นวิธีการศึกสตินะที่เราสามารถจะทำได้ในชีวิตประจำวันเวลามีเสียงดังนะมากระทบหูหรือมีเสียงต่อว่า นะมากระทบหูเราเกิดความไม่พอใจขึ้นมาตรงนั้นแหละคือโอกาสที่เราจะได้ฝึกจิตให้มีสตนะิเห็นทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นและความไม่พอใจที่ตามมาแล้วเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่เสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงรถยนต์เสียงโทรศัพท์หรือว่าเสียงต่อว่าด ok ่าทอแต่สิ่งทํา ท, ทาให้เราทุกข์จริงๆก็คือใจที่ผลักใส่ใจที่บนตีโพติพายอันนั้นแหละ นี่คือโอกาสที่จะเราจะได้เห็นว่าตัวการของทุกเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรามันอยู่ที่การวางใจที่ไม่ถูกต้องอยู่ที่การที่อาการงใจที่ผลักใสไม่ใช่อยู่ที่เสียงเสียงไม่ทำให้เราทุกข์ถ้าเกิดใจเราเนี่ยเป็นกลางกับเสียงนั้นหรือรู้สึกเป็นบวกกับเสียงนั้น คราวที่รัตมาถ้าจำไม่ผิดเคย เ, คยเคยล่าถึงประสบการณ์ตอนหนึ่งที่รัตมาไปสังเวชชนิดสถานนะที่พิธีเดียวเมื่อปลายปีที่แล้วแลวก็ไปพุทธคยาพุทธคยาเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเยอะมากนะแล้วคนหลายชาติหลายภาษาไปกันอย่างแน่นขนัดแล้วแต่ละกลุ่มที่ไปเนี่ยก็ไม่ได้ไปแบบเงียบๆนะส่งเสียง เลยเพราะคณะของคนไทยนี่นะจะต้องมีไมโครโฟนนะสวดมนต์ทักษิณาวัดก็จะมีไมโครโฟนดังเหมือนกับว่าถ้ายิ่งดังเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นทักษิณาวัสามรอบจบอ่าสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นสแสดงธรรมแล้วไม่มีกลุ่มเดียวมีคณะเดียวนะมีเยอะนะเสียงตีนแต่สังเกตว่า มีคนจำนวนเป็นร้อยนะนั่งสงบอยู่รอบพัะเจดีนะดูเหมือนว่าเสียงนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้ท่าน่านั้นเนี่ยเป็นทุกข์อะไรเลยแต่ถ้าเกิดเสียงแบบเดียวกันเนี่ยเดซิเบลอย่างเท่ากันเนี่ยนะเราได้ยินกลางตลาด หรือดิบ น, นท้องถนนเนี่ยน้อยคนนะที่จะทําใจสงบได้แต่รู้สึกกระสับกระส่ายขึ้นมาทําไมในที่ที่หนึ่งนะเสียงดังเท่ากันเดซิเบลเท่ากันแต่ว่าเราสงบแต่ในที่หนึง่งเรากระสับกระส่ายแสดงว่าไม่ใช่เป็นเพราะเสียงแต่เป็นเพราะใจของเราที่รู้สึกต่อเสียงนั้นเช่น ท่านที่อยู่ที่พุทธคยากำลังนั่งสมาธิอยู่เนี่ยรู้สึกดีต่อเสียงที่ดังขึ้นเพราะรู้ว่าเป็นเสียงสดมนต์แม้จะฟังไม่รู้ภาษาเพก็เป็นภาษาทิเบตเป็นภาษ า, เ, า, ษาเขามรนะพม่าแต่ก็ไม่รู้สึกลำคาเพราะรู้สึกดีต่อเสียงเนื่องจากรู้ว่าเสียงเรานั้ น, นมันเป็นเสียงแห่งศรัทธาที่บูชาพระรัตนะไตรยัย ความรู้สึกดีที่มีต่อเสียงทำให้ใจเนี่ยไม่พักใส่เมื่อใจไม่ผักใสเกิดอะไรขึ้นสงบหูยังได้ยินแต่ใจสงบแต่ถ้ามันเป็นเสียงที่เราได้ยินกลางตลาดหรือบนท้องถนนเนี่ยหรือแม้แต่เป็นเสียงที่เบากว่านั้นแค่เสียงโทรศัพท์แค่ครึ่งเดียวดังบางคนนั่งไม่ได้สมาธิกระสับกระส่ายนะไม่ใช่เพราะความดังของเสียงแต่เพราะใจที่ ไม่ชอบเสียงนั้นใจที่ปฏิเสธเสียงนั้นว่าทำไมมาดังตอนนี้มารบกวนความสงบของเราทำไมเจ้าของไม่ปิดโทรศัพท์เนี่ยใจมันบน่นนะแล้วมันก็เลยไม่พอใจแล้วก็เลยเป็นทุกข์ขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถจะเห็นได้นะ รับรู้ได้ประจับได้เกตใจตัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียงไม่ใช่ปัญหาแต่คือใจที่ผักสต่อเสียงนั้นเราจะรู้ได้ยังไงเราจะเห็นได้ยังไงก็ต่เมื่อเรารู้จักโฉลกาศนะเวลามีเสียงดังเข้ามากระทบแดดที่ร้อนยุงที่รบกวน ถ้าเราไม่รู้จักโชวอกาศเราก็จะทุกข์บางทีกายไม่ทุกข์นะแต่ว่าใจมันทุกข์ไปเสียแล้วเช่นเห็นบินเห็นยุงบินว่อนเนี่ยดูยมันจะมันจะไม่ทันจะจะเกาะหรือมากัดเราเลยแต่ใจเนี่ยนะก็เพื่มแนละใจนี่รู้สึกร้อนใจนี่กระสับ ก, กระส่ายและนั่นแหละคือทุกข์เพราะว่ามันเริ่มผลักใสเมื่อก็ตามที่จิตผลักใส มันมีการดิ้นเกิดขึ้นความทุกข์ตามมาทันทีคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่โชว์โอกาสนักปฏิบัติแม้จะเป็นนักปฏิบาาัติทําไม่โชว์โอกาสจากเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเพื่อมาดูจิตนะหรือดูกายก็ได้ว่ากายนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกายบรมนมีการอย่างไรนะเห็นยุงบิน หัวใจเริ่มเต้นเร็วนะการหายใจก็เริ่มผิดปกติเพราะความโกรธเพราะความเกลียดนะพอมันเกาะแขนแขนก็เริ่มเกรง็งนะบางทีหน้านี่ก็ตึงขึ้นมาเลยนั่นคือโอกาสที่เราจะได้เห็นเห็นกายของเรา นี่มันคือโอกาสดีนะในการที่จะจเจริญสติซึ่งบางทีเนี่ยเราอยู่ในห้องแอร์แบบนี้เนี่ยนิดเยแบบนี้เนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันรา่เรียบไปหมดนี่คือความหมายของการชวโอกาสนะเราเคยที่จะโชวโอกาศบนะ้างัหมเวลามีคนต่อว่าเราได้ใจเราทุกข์ ทันทีที่เราเห็นใจที่ทุกขนะข้อดีอย่างหนึ่งคือมันสงบข้อดีประการต่อมาก็เห็นเลยว่าอ๋อไออย่างงี้นะเรียกว่าดูดจิตเราก็จะเชี่ยวชาญมากขึ้ น, นมันมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายมันมีโอกาสต่างๆมากมายที่เราปล่อยให้ผ่านเลยไปโดยที่เราไม่เอามาใช้ในการภาวนา ดูอย่างเช่นเวลาลรติดเวลาลรติดใจเราเป็นอย่างไรเราหงุดหงิดใช่ไหมหมุดหงิดเพราะอะไรเพราะใจเราเนี่ยคิดไปกลายถึงจุดหมายปลายทางแล้วว่าสงสัยจะไปไม่ทันใจมันไปข้างหน้านแล้วมันก็ทุกข์เมื่อรู้หรือคาดการว่าจะไปสาย อยู่กับ ป, ปัจจุบันตอนรู้ตินะถ้าเราได้จักโชวอกาสเราก็เออกลับมาตามลมหายใจก็ได้กลับมาอยู่กับ ป, ปัจจุบันไฟแดง <c oughs> ไฟแดงเนี่ยนะถ้าเราโชโอกาสเป็นก็เหมือนกับว่าเราเอาไฟแดงมาเป็นเครื่องเตือนใจว่าหยุดฟุ้งซ่าน แต่เราสังเกตไหมเราดูจัจเราไ้มาเวลาไฟแดงเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรเราทุกข์เมื่อเห็นไฟแดงเราชังเมื่อไฟแดงสว่างว่าเพราะอะไรนะเพราะเราให้ค่ากับมันว่ามันทำให้เราเดินทางช้าลงมันทำให้เกิดความติดขัดขึ้นมาเราเห็นใจที่ปรุงแต่งอย่างนี้หรือเปล่าหรือท้าอาจจะยังไม่เห็นใจที่ปรุงแต่งอย่างนั้นแต่ว่ามันเห็น ความหงุดหิที่เกิดขึ้นทังที่ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเราได้กำไรกันน ะ, ะับถึงแม้เราจะไปใช้อีกนิดแต่เราได้กำไรเสียเวลาหน่อยแต่ได้กำไรคือได้ฝึกสติแต่คนส่วนใหญ่นอกจากเสียเวลาแล้วก็ยังเสียอารมณ์เช่ไหมเพราะว่าหมุดหงิดที่ไฟมันแดง อันนี้เรียกว่าขาดทุนหรือเสียสองเด้งเลยนะเสียเวลาแล้วก็เสียอารมณ์แต่ทุาเกเราโว์โอกาสเป็นนะเออเราเสียเวลาก็จริงแต่สิ่งที่เราได้มามันคุ้มก็คือว่าได้เห็นใจตัวเองแล้วก็ได้ฝึกสติให้ร่วงไวนะ้เน้นนักปฏบัติรมเนี่ต้องเป็นผู้ฉลาดในการโช์โอกาสฉลาดในการ ใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกเหตุการณ์ทุกอารมณ์ในสารพฤตการก็มีฉากตอนหนึ่งนะเกี่ยวกับพระองค์คลีมานเพราะองค์ครีมานเนี่ยเพิ่งบวชยังเป็นนวากานะาดได้ฟังธรรมจากพุ้เจ้า ที่เชตวันผู้เจ้าสอนแนะนำให้รู้จักหาเกยานมิตรนะท่านองคกลิมาลก็น้อมใจรับแล้วก็หาไกยานมิตรออกจาก อ, าอุตาคารก็ไปเห็นกุติของพระรูปหนึ่งซึ่งอาวุโสกว่าก็เลยไปแนะนำตัวแล้วถามว่ า, าท่านชื่ออะไร แต่ก่อนทศ่จถามว่าท่านชื่ออะไรเนี่ยถามก่อนว่าท่านผู้เจ้าเนี่ยได้สอนนายท่านบ้างเพราะว่าผู้เจ้าพราะองค์ก็สอนแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันพระที่ท่านองค์ลิมาลไปหาเนี่ยชื่อพระนันทียะยซึ่งประวัติน่าสนใจนะทั้งกอดบวทแล้วก็หลังบวทแล้วนะแต่ว่า จะไม่กล่าวในในวันนี้เมื่อพระมงกิริมาณถามว่าพระนนทิยสอนอรอผู้เจ้าสอนอะไรพระนันทิยาก็อธิบายซึ่งอธิบายแบบง่ายคือบอกว่า พ, พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนว่าใ ห, ให้ปล่อยให้วางอารมณ์ให้ปล่อยให้วางทั้งข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลาง อย่าติดในอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์ใดที่พอใจหรืออารมณ์ใดที่ไม่พอใจก็ให้วางลงเสียเมื่อเขาด่าว่าบนบกก็ให้กองบนบนบกกองคำด่าว่านะกองไว้บนบกอย่าเอาลงน้ำเมื่อเขาด่าว่าในน้ำก็เอาวางลงในน้ำอย่าเอาขึ้นบก ดาว่าที่เมืองในเมืองก็วางลงในเมืองอย่าเอาไปถึงเชตวันนี่ตอนที่หนึ่งก็อีกตอนหนึ่งนะพร ะ, ะนันทิก็เล่าว่าเพราะผู้มีพระภาคเจ้าได้สอนว่าเมื่อใดก็ตามที่ถูกดาว่าหรือว่าประสบกับความเสื่อมก็ให้ปาราบในความเสื่อมนั้นเพื่อว่า ใจจะได้เกิดความสังเวชสังเวช ใ, นะในที่นี้แปลว่าสลบนะสังเวชในที่นี้แปลว่าความตื่นตัวเพื่อาใจได้เกิดความสั ง, สงเวชและจะได้เล่นทาความเพียรทาความดีเพื่อให้พ้จากความเสื่อมนั้นแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลได้พบอารมณ์ที่น่าพอใจจากอันเป็นผลแห่งความดีอารมณ์ที่น่าพอใจเช่นคาสรรเสริญคาชื่นชมนะ อารมณ์ในที่หม่ถึงรูปรดกลิ่นเสียงอาจจะรวมถึงสักการะอาหารนะอารมณ์ในที่ไม่ถึงอารมณ์ข้างในนะแต่หมายถึงอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ภายนอกเมื่อต่ก็ลางที่พบอารมณ์ที่น่าพอใจอันเป็นผลแห่งความดีก็ให้อภิรมในอารมณ์นั้นก็คือยินดีแต่ว่าเพื่อจะได้ทำความเพียรทําความดีให้มากขึ้น พูดง่ายคือว่าไม่ว่าจะเจออารมณ์ลบหรือบวกไม่ว่าจะเจออิทธารมและไม่ว่าจะเจออนิธารมหรืออิทธารมก็เลืละแต่เป็นเหตุที่ควรใช้เพื่อทำความดีให้มากขึ้นจะเพื่อพ้นจากความเสือ่อมหรือเพื่อทำความดีให้มากขึ้นมาตามอันนี้จะมาขยายความนะใช่แล้วพระนันทิก็พูดตบท้ายว่า ผู้ใดที่รู้จักถือประโยชน์จากอิทถารมและอนิฐารมพระพูทมีพระพักเจ้าสรรเสริญว่าเป็นบัณฑิตเนี่ยคือรู้จักหาประโยชน์จากอิทถารมและอนิธารมอนิฐารมก็คือรูปวสกินเสียงที่ไม่น่าพอใจที่มากระทบ แล้วก็บางทีก็หมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจเช่นเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาแล้วก็ทุกขนะ์อิทธารมณ์ก็คือได้ลาบได้ยศนะได้สารเสริญแล้วก็สุขทั้งอิทธารมณ์อนธิธาารมณ์ทั้งอารมณ์ที่พอใจอารมณ์ที่ไม่นนไม่น่าพอใจ บัณฑิตวิสัยบัณฑิตคือต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่เกีงเพื่อเพื่อเพื่อนยินดีในอิจารมลแล้วก็งอเมืองอเท้านะแต่ต้องเร่งแต่ทําให้เกิดกําลังในการทําความเพียรมากขึ้นหรือแม้เจออนันทิฐารมลนะอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจคําพูดที่ต่อว่าด่าทอหรือว่าการสูญเสียสูญเสียเงินสูญเสีย พระรานะก็เป็นให้ถือว่าเป็นตัวเร่งในการทำความดีให้มากขึ้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากอิทธารมและอันธิหารมเจออิทธารมก็เพลินๆินแล้วก็ประมาทงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรก็สบายแล้วหรือพอเจออันธิหารมก็โกรธ โกรธใครโกรธคนที่มาต่อว่าโกรธและแค้นโกรธแค้นเนี่ยใครทุกข์เราเองนะแล้วก็เสียประโยชน์อีกอย่างคือทำให้ไม่ได้มาพิจารณาว่าตัวเองเนี่ยมีข้อบอกพร่องไหมยถึงที่เขาพูดจริงไม่มีประโยชน์ไหมนะ เรียกว่าขาดหรือเสียสองต่อต่อได้คือทุกข์เพราะว่าทุกที่เขาด่าว่าอันที่สองคือไม่เอาคำพูดเขามาใช้ที่เป็นประโยชน์เพื่อจะได้พิจารณาว่าเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขย่างไรนะอันนี้เป็นเป็นเป็น เป็นหลักสำคัญเลยนะของนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่เป็นบัณฑิตนะต้องรู้จักหาประโยชน์จากทุกอย่างที่เกิดขึ้นแน่นอนพวกเราทุกคนก็ต้องการปรารถนาอิธารมต้องการความสุข้องการความสบายนะ แต่พอเจอความไม่สะดวกความไม่สบายเจอความพัดพร่าเจออารมณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจซึ่งเป็นธรรมดาโลกหนีไม่พ้นก็กลับทุกข์กลับเศร้าเสียใจจริงเนี่ยถ้าเราจากใช้ประโยชน์เนี่ยอย่างที่ธรรมาบอกให้มาดูใจของเรา ว่ามารู้สึกอย่างไรนะเวลาเกิดอันนิถารงขึ้นมาเวลาถูกต่อว่าเวลาสูญเสียเงินหายของหายใจเป็นอย่างไรนะและเราสามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกฝนจิตใจเราได้อย่างไร <c oughs> เหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจเนี่ยนะ ทั้งหลายทั้งปวงมันมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นคำต่อว่าด่าท อ, อรวมไปถึงความเจ็บป่วยความแก่ชราทั้งหมดนี้เนี่ยมันล้วแล้วแต่ เป็นประโยชน์ให้กับเราถ้าเรารู้จักใช้รู้จักมองอย่างน้อยเลยนะมันสอนเรามันฝึกเรามันฝึกใจของเราฝึกใจให้อดทนเนะช่นเวลาเจออากาศร้อนเจอความหนาวเจอความหิวเจอคำพูดที่เสียดแทงใจ วิเจอความล้มเหลวอย่างแรกเลยเนี่ที่มันให้เบี้ยวกับเราคือมันฝึกใจของเราฝึกใจให้เข้มแข็งให้อดทนรวมทั้งฝึกให้มีสติอย่างที่อาจมาเล่านะว่าใจมันรู้สึกอย่างไรเวลาเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้ น, นใจมันบ่นใจมันบ่ไว้อย่างไรใจมันผักสซร์มือไหม้เนี่ยนี่ฝึกสติแล้ว รวมทั้งฝึกให้ไม่ประมาทเอาเงินหายแทนที่จะโกรธเจ็บป่วยแทนที่จะเสียใจก็มาเอามาใช้เป็นเครื่องฝึกใจว่าเราต้องไม่ประมาทนะอาจารย์เพื่อท่านบอกว่าป่วยทุกทีนะก็ต้องฉลาดทุกที ให้รู้จักมองให้เห็นว่าความเจ็บปวยมันมาสอนอะไรเรานอกจากฝึกใจให้อดทนนะให้มีสติแล้วเนี่ยมันสามารถจะสอนใจให้เห็นสัจธรรมได้เห็นว่าสังขารเป็นทุกขนะ์เห็นว่า ไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยมาอยู่กับเราเพียงแค่ช่วงครั้งช่วงคราวช่วงที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ปีห้าสีก็มีการสูญเสียนะมากมายผู้คนเลยก็ต่างจังหวัดนะบางคนก็ถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าทรัพย์สมบัติ มันลอยไปกับสายน้ำหลายคนไม่เพียงแต่เสียทรัพย์นะแต่ว่าใจก็เสียสุขภาพกายก็เสียเพราะว่าทำใจไม่ได้บางคนไม่ใช่แค่เสียสุขภาพจิตสุขภาพกายเสียชีวิตด้วยเพราะว่าทนไม่ไหวค่าตัวตายดีกว่า แล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ทุกข์กับการที่น้ำเนี่ยมันพัดพาเอาทรัพย์สมบัติของเขาไปเขากับหมองว่าเออมันมาสอนเรานะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสมบัติที่มีเนี่ยเป็นแค่มันอยู่กับเราเพียงชั่วคราวแล้วมันก็จากไป อาจจะจากไปหรือจักตายก็ได้ในกรณีน้ำท่วมใหญ่ก็สอนให้เห็นความพัดพราสูญเสียว่าแม้ในยามที่ยังมีชีวิต อ, อยู่ก็อาจจะสูญเสียได้มันได้แสดงให้เห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงมาอยู่กระเพียงชั่วคราวแล้วคนนี้เนี่ย แสดงว่ารู้จักหาประโยชน์จากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นหาประโยชน์จากอนิจธารมณ์ที่เกิดขึ้นเสียทรัพย์แต่ได้กำไรเพราะว่าได้ธรรมะนะมาเป็นเครื่องกำกับจิตใจถห้เราลองพิจารณาดูนะเหตุร้ายที่ไม่ควรปรารถนาอารมณ์ ที่ไม่น่าพอใจมารู้แล้วแต่มีประโยชน์เสมออยู่ที่ว่าเราจะรู้จักเห็นประโยชน์ของมันไหมหรือว่าหาประโยชน์จากมัน <c oughs> ถ้ามันไม่ฝึกใจเรามันก็สอนใจเราฝึกใจอีกอย่างหนึ่งนะก็คือฝึกให้ปล่อยวางฝึกให้รู้จักปล่อยวาง เนะพราะ้าไมปล่อยวางจะทุกข์มากเลยไม่ว่าจะเป็นคาพูดที่เสียดแทงใจคำตอว่าดาทอเตชินนินทาหรือว่าเงินที่หายทรัพย์ที่ถูกโกงถ้ายังไม่ปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นก็จะทุกข์มากเนะมื่อคิดอาตมาพูดติดหน่อยนะว่ามันยังสอนใจให้ เรารู้จักไม่ประมาทเงินหายเนี่ยนะของหายก็ถ้าเราพิจารณาดูก็เราก็จะรู้ว่าเนี่ยเป็นพ่อเราประมาทไปเราเผลอไปนะต่อไปก็ต้องระมัดระวังมากกว่านี้นะอาตมานะเคยเว็ปกติเนี่ยนะไม่ค่อย ไม่ค่อยอไม่ค่อยปิดหน้าตา่างหรือว่าประตูติดเท่าไหร่นะเพราะไม่ค่อยมีขโมยนะตอนหลังเนี่ยมันเริ่มมีลิงเนี่ยเข้ามาก่อกวนทีแรกลิงมันค่อยเขาอยู่โรงครัวนะตอหลังก็เริ่มขยายอาเขตมามาที่กุฏิอรรมมาแต่แตะก่อนนี่นะมันไม่เคยเข้าไปนคุ้นของเลยนะมันก็ เอาแต่พูดเตีย ร, รอบๆเล่นะหรืแม่ก็อยู่บนหลังคาแล้ววันหนึ่งนะมันก็เข้าไปในห้องมันก็ลื้ออะไรต่ออะไรมากมายทาั้งหนังสือนะทั้งเข้าของทั้งยาโอ้เระเนรณนนาเลยนะไมได้ประโยชน์เลยนะว่าเราต่อไปเราต้องไม่ประมาทละต่อไปเราต้องปิดประตูหน้าตาให้ดี เสียเวลาป่วยการที่จะไปโกรธมันนะเราก็จัดการอ่เรามัดระวังให้ดีเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยแทนที่จะขุนเคืองมันหงุดหงิดโมโหให้ลอง นอกจากเอามาเป็นเครื่องสอนใจถึงความไม่เที่ยงของสังขารความเป็นทุกข์ของสังขารแล้วเนี่ยก็มันให้ถือเป็นเครื่องที่เร่งเร้าให้เราทําความเพียรมากขึ้นเพราะว่าวันนี้ยังป่วยแค่นี้วันหน้าอาจจะป่วยหนักกว่า น, นี้ถึงตอนนั้นก็อาจจะทำอะไรไม่ได้จะไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะเอาแต่บุดหิด ทำไมถึงต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นในแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกแย่หอเดียวแต่ถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์จังมันทําให้เราเกิดความตื่นตัวเกิดความเร่งรีบอันนี้แหละเรียบสังเวชสังเวคสังเวชในความหมายที่โยงกับสังเวชนิสถานเนี่ยคืออันนี้ตื่นตัวว่านี้เขาเตือนเรานะว่าต่อไป จะหนักกว่า น, นี้นะนี่แค่บอกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้ายังมีเรื่องมีแรงมีกนองนองากต้องเร่งทำความเพียรที่จริงนะไม่ใช่ไม่ใช่แต่เฉพาะตอนเกิดอณิถารมนะหรือว่าตอนที่เกิดเหตุรายแม้กระทั่งเวลาสบายๆเนี่ยก็ต้องรู้จักใช้ประโยชน์ พุทธเจ้าเนีร่องเคยสอนพระเกี่ยวกับเรื่องอนาคตภัยห้าประการอนาคตภัยห้ประการพุทธเจ้านี่สอนเรื่องอนาคตเี่นะถ้าไม่ได้พูดให้อยู่กับปัจจุบันเท่า น, นั้นแต่สอนให้เราึกถึงตระหนักถึงอนาคตว่าอาจจะเกิดภัยห้าประการไม่ใช่เพื่อให้ตื่นกลัวแต่เพื่อให้เร่ทงทําความเพียรใช่แต่วันนี้มีอะไรบ้างนะก็คือว่า พู้เจสอว่ า, ใ น, า, า, าในขณะที่เรายังมีสุขภาพในขณะที่เรายังมียังยังมีกําลังวังชาเป็นหนุ่มเป็นสาวอาจเป็นหนุ่มอยู่ท่านผู้กับพระก็ให้พึงตระหนักว่าสักวันหนึ่งจะต้องแก่ถึงตอนนั้นเนี่ยอาจจะทําความเพียรไม่สะดวกเพราะฉะนั้นต้องเร่งทําความเพียรใช้ใจเดิมนี้ประการต่อมา ให้พิจารนาว่าขณะนี้มีอาภาพน้อยคือไม่ป่วยสุขภาพดีก็ให้พึงตระหนักว่าวันหน้าอาจจะป่วยอาจจะอาภาพมากถึงตอนนั้นอาจจะทำความเพียงไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยต้องทำสิ่งแต่ตอนนี้อาการต่อมาก็คือในขณะในวันนี้เนี่ยมีอาหารนะมีอาหารปริญญาบาทสมบูรณ ก็อย่าประมาทให้ตระหนักว่าวันหน้าเนี่ยข้าปลาอาหารจะลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องยึดทำความพเพียรข้อที่สี่ในขาที่บ้านเมืองสงบสุขนะไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มีความวุ่นวายค็ให้พึงตระหนักว่าวันหน้าอาจจะเกิดความวุ่นวายกู้คนทะเรา บ, บอบาแหวกจนกระทั่ง เขาม า, เอาอาศัยกันในวัดทําให้ปฏิบัติธรรมไม่สะดวกเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องทําความเพียรข้อที่ห้าใขณะที่พระสงฆ์หมู่สงฆ์ยังมีความสุขความสมัคคีกันให้พึงตระหนักว่าวันหน้าาจะเกิดความร้าวฉานทะเลาะวิากันถึงตอนนั้นก็จะปฏิบัติธรรมลาบากเพราะฉะนั้นต้องทําความเพียรแตกตอนนี้คือให้รู้จักใช้ แม้กระทั่งปิฐารมหรือว่าเหตุการณ์สภาวะที่สบายราบรื่นเนี่ยให้เป็นประโยชน์อย่าเอาแต่เสพเอาแต่เสวยจนเกิดความประมาทนี้เจนนี่นะว่าพุทจ้าเนี่ยนะ จ, ยนยนะจะให้ความสำคัญมากนะ กับการที่เรารู้จักใช้ประโยชน์นะจากทุกเหตุการณ์ว่าดีหรือร้ายบวกหรือลบยนะิ่งโดยเฉพาะเหตุการณ์นะที่มันลร้ายเหตุการณ์ที่ไม่ดีความเจ็บความป่วยความพัดพร่าความต่อว่าดาบทความเสื่อมความล้มเหลวให้พวกนี้เนี่ยนะต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากมัน แต่ก่อนหน่ต้องวางจิตวางใจให้เป็นพอมันเกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปโมโหโกรธาจะไปมุ่งมีชุนเฉียวต้องเปิดใจให้เป็นกลางหรือเป็นบวกว่าเออดีเหมือนกั น, เ, นเงินหายก็ดีเหมือนกันจะได้สุดเราปล่อยวางหรือว่าดีเหมือนกันจะได้มาพิจารณาว่าเราบกพร่องตรงไหนผิดพลาดตรงไหนจะได้แก้ไข ถ้าไม่ทำอย่างนี้นะทุกนะฮะโมวโคราบนว่าชะตากรรมนะแต่ถ้าทำอย่างที่เราว่าเนี่ยรู้จกักโชการรู้จัถือประโยชน์เนี่ยใจไม่ทุกนะเกิดความกระตือรือร้นะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยใจมันจะรู้สึกเป็นลบทันทีเลยจะไม่ชอบนะ แลวพอเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นเครื่องฝึกพอไม่ใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องฝึกผลจิตใจอพอมันเกิดขึ้นอนกก็ทุกข์อีกหรือพอมันเกิดขึ้นหนักพอมันเกิดขึ้นยิ่งกว่าเดิมก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่แต่ถ้าเราใช้ประโยชน์จากมัน เ, ออเงินหายของหายคำต่อว่าต่อทอฝึกให้เราอดทนยืดแข็งฝึกให้เราปล่อยวางไม่ถือสา เราก็มีผู้ควมกันเราก็จะรู้วิธีในการที่จะจัดการกับเหตุการณ์ทำนองนี้ในวันข้างหน้าหรือเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ใหญ่กว่านี้หรืออาจจะใช้มองอาจจะมองมันว่ามันเป็นเครื่องเตือนใจมันเป็นเครื่องส่งสัญญาณว่าวันนี้แค่นี้นะวันหน้าจะหนักกว่านี้เงินหายมื่นหนึ่งนี่คือสัญญาณเตือนว่า ต่อไปเราจะเสียหนักกว่า น, นี้และต่อไปในอนาคตเราจะสูญเสียหนักกว่า น, นี้จริงๆนะถ้าไม่ตอนที่เรายังมีชีวิต อ, อยู่ก็ตอนที่เราตายไปแล้วเนี่ยมีเท่าไหร่ก็หมดคุณมีสิบล้านก็หมดสิบล้านเมื่อถึงเวลาที่หมดลมใช่ไหมความสูเสียก็พลาดเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว อยู่ที่ว่าในสภาพไหนแต่คนไม่ตระหนักนะแต่ถ้าเรามองว่าไอ้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นวันนี้เออมนันเครื่องเตือนมันเป็นสัญญาณบอกว่าวันหน้าเจริหนักกว่านี้ความเจ็บความป่วยมันเป็นสัญญาณเตือนว่าวันหน้าอาจจะต้องนอนแบกนะจะต้องมีสายระโยงระยาง พร้อมหรื อ, อยังพร้อมที่จะเจอวันนั้นหรื อ, อยังพร้อมที่จะรับมือกับวันนั้นหรื อ, อยังเราจะมีความพร้อมมากขึ้นเท่าเกิดว่ามันเกิดขึ้นกับเราวันนี้เออเราปล่อยวางหรือว่าใช้มันเป็นเครื่องกระตุน้นเตือนให้เตรียมตัวเตรียมใจฝึกฝนจิตใจให้มากขึ้นถือว่ามันเป็นเครื่องเตือนสัญญาณบอก ถ้าเราคิดแบบนี้เราวางใจแบบนี้ได้ประโยชน์นะฮะมันจะกายเป็นเครื่องฝึกเครื่องซอ้อมมันจะกลายเป็นบททดสอบแต่ถ้าเราไม่มองแบที่เราทุกเลี่ยนะก็อาจจะโบนว่าทําไมทาดีไม่ได้ดีทําไมทาบุญแล้วถึงต้องมาเสียเงินมากมายขนาดนี้เห่อยคนคิดแบบนี้นะทําไมทําบุญมากมายถึงจุดจบถึงจุดจนพ้นถึงจุดโกงชีวิตนี้ไม่เคยโกงเลยแต่ทําไมเขามาโกงเรา ก็เอาแต่คร่ำครวนต่อว่าชะตากรรมหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าทำดีไม่ได้ดีเนี่ยเราทำบุญมากมายแต่ทำไมถูกโกงเราทำความดีมากมายแต่ทำไมเราป่วยเป็นมะเร็งต่อไปที่ไม่ทำแล้วบุญความดีไม่บำเพ็นแล้วนะหนักเข้าไปใหญ่เลยนะไม่รู้จะใช้ประโยชน์แต่ถ้าใช้ประโยชน์เป็นนะโอ้นี่เขามาสอนเรา นี่เขามาฝึกเรานี่เป็นบททดสอบต้องผ่านให้ได้เพราะถ้าวันนี้ไม่ผ่านวันหน้าจะผ่านได้อย่างไรเงินไม่กี่พันไม่กี่หมืน่นก็ยังกลุ้ม อ, อกกลุ่มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้ววันหน้าจะไหวหรือนะมองแบบ น, นี้บ้านงะถ้ามองวันนี้เนี่ยเราจะใจเราจะใจเราจะยอมรับใจเราจะจะ พร้อมรับมือกับมันได้มากขึ้นเพราะเรามองว่ามันเป็นของดีที่ฝึกเราและนี่เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติธรรมเนี่ยควรจะทำเป็นอย่างยิ่งคนธรรมดาก็อาจจะไม่เห็นความสำคัญแบบนี้หรือมองไม่เห็นแบบนี้แต่ยิ่งรับนักปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งต้องถือว่านี่เป็นบททดสอบนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งปฏิบัติธรรมไม่ใช่ นั่งหลับตายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมตามลมหายใจเท่านั้นแต่มาถึงการที่พร้อมที่จะผเผชิญกับของจริงนะืยอยเพราะที่เป็นอันธพารลมที่เป็นเหตุร้ายและเพื่อที่ได้ผ่านไปได้แม้กระทั่งคนที่ภาวนาในรูปแบบนะจะหลับตา ทำสมาธิตาลมหายใจหรือเดินจงกรมสร้างจังหวนะมันก็มีอนันิทามณมเกิดขึ้นกับเราอยู่เป็นประจำนะความเครียดความหมงุดหงิดความฟุ้งซ่านความโกรธเราต้องฉลาดนะในการใช้ประโยชน์จากมัน แต่คส น, น, นส่วนใหญต้งองไปฏิบัติคนส่วนใหญ่เพราะใจฟุ้งซ่านพอใจไม่สงบพอหงุดขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มเป๋แล้วเริ่มหงุดหงิดแล้วทําไมไม่ไ ม, ไม่สงบสักทีเสร็จแล้วไปโทษนะดินฟ้าอากาศร้อนชื้นหรือโทษเสียงทําไมเดินกระเพ่นผ่านอย่างนี้นะ เ, เกิดขึ้นกับ น, นักปฏิบัติหลายคนเลยนะเวลา เวลาใจไม่สงบเนี่ก็จะเริ่มนะเริ่มรวนล ะ, ละก็โทษคนนั้นคนนี้โทษภายนอกไม่ได้กลับมาดูใจของตัวว่าวางใจผิดไหมพลาดหรือเปล่าอายุไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็แต่ยังไม่ต้องวิเคราะห์ว่าทําใจปิดจำวางใจพลาดหรือเปล่าแต่ก็ลองมองก็คืเ อ, อเนี่ยมันมาฝึกให้เราเนี่ยรู้ทันอารแบบนี้นะ เราจะรู้ทันอารมณ์ใดก็ตามเราต้องเจอมันบ่อยเราจะรู้ทันความหุดีงเราจะรู้ทันความการต้องเจอบ่อยๆมันถึงจะจำได้เขาเรียกว่าเกิดทีละสัญญานะทีละสัญญาคือการจำได้ว่ามันมีลักษณะอาการอย่างไรซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของคุณสมบัติของส ม, มาสติต้องเจอบ่อยๆ ถ้าไม่เจอมันก็ไม่รู้จักเราจะรู้ทางความโกดธถ้าเราจเจอความโกรธบ่อย ๆ, ๆเพราะนั้นการที่ความกดเกิดขึ้นกับเราในขณะที่เราภาวนาเป็นของดีทำให้เราคุ้นกับมันจิตของเรานี่มันค่อนข้างจะโง่ น, นะในบางเรื่องไม่มันก็ร่างกายของเราพวงุ่งกุ้งกันในร่างกายเราเนี่ยถ้ามันได้รู้จัก เือโรคสักครั้งหนึ่งมันจําได้ขอให้มาได้เจอสักครั้งหนึ่งแล้วจะไม่มีครั้งที่สองอีกคนที่เป็นวัตเนี่ยเป็นวัตรครั้งเดียวนะครั้งที่สองจะไม่เป็นเพราะว่าภูมิการในต้องการมันจำได้าไอ้เซลล์ไอ้ไวรัสตัวนี้ยคือวัตครั้งแรกพลาดไปเพราไมรู้จักแต่ครั้งที่สองทำไมาฉันเขมือบเลยแต่ถ้าเราเป็นวัตบ่อยเพราะว่า มันเปลี่ยนหน้ากันมามันไม่ได้หมาตัวเดิมมันมันพาเราเปลี่ยนยเรื่อยๆนี่เป็นลักษณะของไวรัสนะแต่มีเชื้อกองตัวที่มันไม่เปลี่ยนมากนะเช่นถ้าเราสีดานเนี่ยซีดาหรืออิวาเนี่ยนะเจอครั้งเดียวแล้วมันมันจําได้ตลอดชีวิตวิธีจะทําำวิธีจะทำให้มันเจอทําไมก็ฉีดวัคซีนเข้าไปวัคซีนเนี่ยคือเชื้อที่มันน อ, อนๆ เพื่อให้ภูมิกันในร่างกายมันจําได้ว่าพ่อไอ้นี่ผู้ร้ายพอจําได้แล้วนะพอมาครั้งที่สองน ะ, ะมันจัดการเลยขอแค่ครั้งเดียวนะไม่ต้องหลายครั้งนี่เป็นคุณสมบัติของภูมิกันในร่างกายที่ไวมากเจอครั้งเดียวจําได้แต่ใจเราเนี่ยนะมันต้องเจอหลายครั้งนะ มันต้องเจอความโกรธหลายครัง้งมันงเจอความเหน่เหลายครัง้งมันถึงจะจำได้คล้ายๆกับพี่อุปมาอุปมาเหมือ น, นก็ว่าเราเนี่ยเป็นเด็กเล็กแล้วก็มีคนเนี่ยชอบมาทำท่าทางดีเลยนะแล้วก็มาบอกเราว่าแม่ให้มาตามหาให้ให้พากลับบ้านเราก็เชื่อ เราก็พาไปถึงซอยเขาก็เอาเงินขงเราไปเอานาฬิกาเราไปถูกลอกคราบวันต่อมาเราอยู่ที่โรงเรียนไอ้คนนี้ก็มาอีกแล้วก็หลอกเราได้สำเร็จเพราะเราจำไม่คยได้เราจเราจำไม่ได้แต่พอทำนี้สิบครั้งเนี่ยเราจำได้แล้วอ๋อพอมาเนี่เราจำได้แล้วไอ้นี่ผู้ร้าย วันหลอกฉันฉันไม่เชื่อนะ้วจิตของเราเป็นอย่างนี้นะคือว่าเจอทีแรกเน้นนะมันจาไม่ได้หรอกมันต้องเจอ บ, บ่อยๆเนราะในการที่เวลาเราจเจริญสติแล้วมันเกิดอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเกิดอกุศลธรรมขึ้นมาอารมณ์อกุศลเนี่ยความมีความกลัวความความไม่ไม่ความเบื่อเนี่ยมองยังไงดีคือว่าเออมันจะช่วยทําให้จิตของเราเนี่ยจําได้ อันนี้เป็นการเพิ่มพูนความสมรรถสติให้มันไวขึ้นแต่ประโยชน์มันมีมากกว่านั้นนะอารมณ์ไม่ว่าอารมณ์โกรหรืออารมณ์อารมณ์รบอันนี้มมายถึงอารมณ์ภายในนะที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันสอนไตรั์ให้กับเรามันสอนถ้าทุกอารมณ์เนี่ยมันไม่เที่ยงมันมาแล้วก็ไปมันเป็นทุกขขังมันไม่ใช่ตัวตน ทุกอารมณ์ไม่ใช่เรานะความโกรธไม่ใช่เราแต่เรามักจะเผลอตกวธทีไรรู้สึกสําคัญมากมาว่าฉันโกรธกูโกรธเครียดทีไรสําคัญมากมาว่ากูเครียดฉันเครียดเป็นเราเป็นของเราไปแล้วแต่พอเราตร่นสติบ่อยๆแล้วก็เจอ ม, มาบ่อยๆ เราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นเพียงแค่สภาวะที่เกิดขึ้นเราจะเห็นความโกรธแต่ไม่ใช่เป็นผู้โกรธเราจะเห็นเวทนาแต่ไม่ใช่ผู้เสวยเวทนานะเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตวมันเป็นอนัตตาเราเรียนจากไหนเห็นจากไหนก็จากอารมณ์พวกนี้แหละทั้งบกแลาลบนุ่นที่เป็นครูสอนนะ เราจะจําแนกได้ว่าเห็นกับเป็นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเมื่อความกลัวเกิดขึ้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราได้ฝึกที่จะเห็นมันแทนที่จะเป็นมันเหมือนเคยตอนจลสติที่มันช่วยทำให้เราเห็นไม่ใช่เป็น ไม่ว่าจะเป็นเวทนาหรือว่าติดต่สังขารคืออารมณ์พวง่ายๆมีนักปฏิบัติธรรมคนหน่มาปฏิบัติที่วัดป่าสุขโตเป็นนักศึกษาปฏิบัติมาอยู่วัดได้สัก3ามสี่วันแล้ววันหนึ่งก็ามาปรึกษาหลวงพ่อกำเขียน หลวงพ่อทนยังไงดีหนูเครียดเหลือเกินหลวงพ่อไม่ตอบนะแต่พูดย้อนไปว่าถามไม่ถูกถามใหม่ถามใหมให่เธอก็นั่งคิดสภาพแล้ว ก, ก็พูดหมายว่าหลวงพ่อมือเห็นความเครียดเันเยอะเหลือเกินต่างกันไหมฮะระหว่างเห็นความเครียดกันมือเห็นความกับมือเห็นความเครียดหนูเครียดต่างเห็นความเครียดตา่างกันไหมต่าง จะเห็นความต่างได้คุณต้องเียวความเครียดนะแล้วคุณก็ได้ฝึกว่าฝึกเครียดเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้เป็นนะีนะ่สำหรับเด็กทั้งนั้นสาวคนนี้เนี่ยไอ้ที่เครียดเนี่ยดีแล้วมีประโยชน์ทําให้เห็นไงว่าทําให้เป็นการฝึกให้ได้เห็นว่าระหว่างเห็นกับเป็นมันต่างกันแค่ไหนนั่นต้องต้อนรับมันนะ อย่าไปผักสายมันเพราะยิ่งผักสายอารมณ์พวกนี้เนี่ยเราจะยิ่งเป็นทุกข์แล้วเราจะปฏิบัติได้ไม่นานเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งคนที่ปฏิบัติเพื่อหวังความสงบ พ, พอเจออารมณ์พวกนี้เครียด้งาหงุดหงิดโกรธก็จะเริ่มกระสับกระสายความกลรธไม่ได้สร้างปัญหาแก่ใจนะถ้าเห็นมันแต่พอไม่เห็นก็ไปเป็นมันนะมันก็จะเริ่มทุกข์ และยิ่งพอรู้ว่าโกรธแล้วผลักไสายมันไม่ชัาไม่ชอบมันชังมันยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่นั่นก็ถือว่าเป็นอย่างนี้นะคือพอโกรธพอมุ่งเยแล้วเนี่ยเข้าไปเป็นข้อที่หนึ่งปรการที่สองพอรู้ว่าโกรธผลักสามันพยามกดข่มมันยิ่งห น, นักเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่า มันก็ยิ่งรลังความยิ่งทาให้เป็นทุกข์ไม่ต้องกดข่มมันไม่ต้องผักษามันแค่ทําใจเป็นกลางกับมันหรือแค่ดูมันเฉยๆเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลว่าหลวงปู่ทาไงที่ตัดความโกรธแค่ขาดหลวงปู่ตอบว่าไม่มีใครตัดความโกรธแค่ขาดหรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไป รู้ทันในที่นี่คือรู้เฉยเฉยไม่ต้องไปทําอะไรกับมันไม่ต้องไปเปลียนมันไม่ต้ลับสายมันแต่นักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะจะพยายามเข้าไปควบคุมกับอารมณ์เหล่านั้นจะรู้สึกชิงชังกับมันเพราะอะไรเพราะว่าอยากจะสงบเนี่ยพอความโกรธมาให้สงบแล้วก็จะยิ่งพยายามกดข่มมันโดยไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากมันเลยไม่ใช้ประโยชน์จาก จากความโกรธหรืออารมณ์เหล่านั้นในการฝึกสติหรือว่าในการพิจารณาเห็นใจเลานะวพราะนั้นเนี่ยต้องปรับใจของเราสมัยนะให้เราเนี่ยพร้อมที่จะต้อนรับอารมณ์พวกนี้ไม่ว่าบวกหรือลบปิดทธารมหรืออิทารม มันจะมาก็ไม่ว่าแต่ให้รู้จักใช้ประโยชน์หาประโยชน์จากมันอย่างที่พระเจ้าสอนพระนันทียักหรือรู้จักโชวโอกาสจากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละถ้าพระวจนะใช้ประโยชน์จากมันได้นะะถ้าเร า, เารู้จักหาประโยชน์นะ ในลักษณะที่ว่าเนี่ยเราจะมีชีวิตที่ผาสุกมากขึ้นแม้ว่ามันจะมีความไม่จีรังมันจะมีความผันผวนพลวัเกิดขึ้นมีขึ้ น, ม, นมีลงมีบวกมีลบแต่ว่าเราว่องไอยคล่องแคล่วในการใช้ประโยชน์จามันเพื่อทำให้สติห้องงามปัญญา แ่งกล้ามากขึ้นและนี่แหละนะมันจะเป็นเป็นพื้นฐานในการที่เราจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ยังไม่ต้องหนีโลกและไม่ใช่มีความสุขเดียวนะแต่ว่า มีความฉลาดคือมีปัญญามากขึ้ซึ่งช่วยทําให้เราเนี่ยเป็นสละแต่ความทุกขนะ์ได้เร็วขึ้นแลนะความเพิ่งมีประโยชน์ อ, อินทิฐาร ม, มีประโยชน์อารมณ์กุศลนี่มีประโยชน์แต่นะว่าไปเนี่ยนะมันมันนัดจะเป็นประโยชน์มากกว่าความสุขเป็นประโยชน์มากกว่าอินทิฐารมด้วยซ้ำ มันจะช่วยเร่งให้เกิดนะการเห็นธรรมได้เร็วขึ้นได้สั้นยังเคยมีคนถามอาตมาเมื่อเร็วๆนี้นะอาจารย์ช่วยบอกหน่อยว่ามันมีทางลัดไหมในการที่จะเห็นธรรมในการที่จะไม่ทุกข์อาตมาบอกมีความทุกข์ไงล่ะ ความทุกขนี่นแหละคือทางลัดเอาคนมาเที่อวาทางลัดเนี่ยนะก็คือเทคโนโลยีอันนั้นก็มันยังไม่ใช่ทางลัดทางลัดเนี่ยนะมันต่างจากทางธรรมดาทางธรรมดาเนี่ยนะมันก็จะเป็นทางสายใหญ่แต่มันพ้อส่วนทางลัดเนี่ยมันไวแต่มันแค่ นะและบางทีมันก็วกวนด้วยนิดหน่อยทางรัฐทางรัฐไม่ใช่เป็นทางที่สบายนะถ้าอยากจะสบายกาไปไปทางสายใหญ่ซ u p เปอร์ไฮวีแต่มันจะเป็นทาง อ, อ้อมทำไมตะมันพุาทธถูกเป็นทางรัฐแห่งการเห็นธรรมอันนี้ก็มีตัวอย่างมากมายในสมยัยพุทธกาลหลายท่านที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต เป็นท้าวเนี่ยเพราะว่าท่านเจอทุกข์บางทีฟังธรรมนะฟังธรรมยังไงก็ไม่เคยเก็ต น, นะแต่พอเจอทุกข์นี่นะปัญญาเกิดเลยนางกีสาวก็จะมีเป็นตัวอย่างหนึ่งนางกีสาวก็จะมีนะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเทาอแรงเสียลูก นะลูกตายลูกยังเด็กยเลยทำใจไม่ได้ไม่ยอมรับว่าลูกตายชีวิตเธอสบายมาตลอดนะอาจจะยากจนตอนเด็กๆแต่ตอนหลังเพราะความฉลาดทำให้ได้มาเป็นลูกสะพายของเศรษฐีที่ก็สบายก็ทำความดีให้ทำบุญให้ทานแต่ว่าก็จิตใจก็ไม่ได้พัฒนามากม่พัฒนาอย่างรวดเร็วนะตอนที่เสียลูก ไปเฝ้าพุทเจ้าไปหาใครต่อใครให้ช่วยไม่มีใครช่วยได้ใครๆก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วเธอก็ไม่ยอมับตจนท่านมีคนยังบอกว่าไปหาพุทธเจ้าสิพุทธเจ้าจะช่วยได้ตัวก็ดีใจไปหาเพุทธเจ้าเนี่ยเจอนางกิสากรตุีรู้แล้วว่าไม่ใช่โอกาสไม่ใช่เวลาที่จะสอนธรรม เธอคงรับไม่ได้ก็เลยบอกว่าเราช่วยได้ถ้าเธอไปหาไม้พับกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายทางกีฬาคนที่ก็ดีใจนะก็เข้าไปในเมืองไปถามบ้านโนนบ้านนี้ทุกบ้านมีไม้พัการหมดแต่พอถามว่ามีคนตายที่บ้านไหมหรือว่าบ้านนี้มีคนตายไหมเพราะว่ามีคนตายทั้งนั้นเพราะคนสมัยก่อนตายที่บ้านลูกตายพ่อตายแม่ตาย ภรรยาตายสามีตายหมดตายกันทั้งนั้นเลยคิดเราวน้อยคิดแ้ น, แนเธอก็ยอมรับได้ว่าความตายเป็นธรรมดาของทุกบ้างทุกครอบครัวทุกชีวิตน่าจะรู้สึกเลยว่าเธอไม่ได้สูญเสียคนเดียวคนหน่มก็สูญเสียกันมาแล้วเวลาเราพบว่าคนหนุ่มก็สูญเสียเหมือนเรานี่เราจะรู้สึกดีขึ้นนะฮ ะ, <c oughs> ะเหมือนกับเวลารถติดแล้วเรารู้ว่าค น, นก็ติดเหมือนเราเราก็เหนื่อยน้อยลงนั่งกินแซลมินมั่งใจได้ เอาลูกไปเผาแล้วก็มาเฝ้าพุทจ้าพุจ้าแสดงธรรมแค่สองสามประโยคนาำบรุ ธ, ธรรมเลยประเด็นหลัก็คือพุทธเจ้ากลับว่าน้ำป่าย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลฉันใดพยามาจุราก็พัดพาผู้ที่หลงในทรัพย์ในลูกในครอบครัวฉันนั้นนางกิจสมุรมิซึ่งเจอทุกมาด้วยตัวเองเนี่ย ฟังผู้เจ้าเช่นนี้เนี่ยก็ทราบซึ้งแก่ใจเลยมันมันประจับแก่ใจจริงๆว่าสังขารนี่เป็นทุกข์มากความสูญเสียนี่เป็นทุกข์มากนะเพราะความยึดติดทำให้ทุกข์ก็บรรุธําเป็นพระโสดมมาบันก็เช่นเดียวกับนางปตจารานางปตจาราเสียนเสียนักกว่านางกิสาขกตมีใ่ไหมฮะ เสียทั้งเสียลูกสองคนเสียผัวก่อนแล้วก็เสียลูกสองคนแล้วต่อไปก็เสียแม่เสียพ่อทรัพย์สมบัติที่มีถูกทาลายหมดเพราะว่าฟ้าผ่าไฟไหม้ร่างนานศูนย์ไม่เหลืออะไรเลยหนักพนักงาก็จะมีนักนพนักงาก็ามียังมีสามียังมีบ้านแต่นำพัฒนาไม่เหลือเลยคุ้มครั่งมาผ้า่าดหลุดด้วย จนท่านเข้าไปที่เชต ว, วันผู้เจ้าก็ผู้ที่มีสติแล้วก็สแสดงคําบอกเนี่ ย, ยว่ า, วาสองขานมื่อว่าวัะสงสารเป็นทุกข์มากนะน้ำตาที่เรารังลงมาเพราะความสูญเสียเนี่ยพบแล้วพบเราชาติแล้วชาติราเนี่ยมันมากพอๆกับน้ำในหมหาสมุทรเลยว่านางกินา ง, นางปะตะจลาฟังแล้วเนี่ยเกิดความสดสังเวชในในการเกิดในวัฏสงสารก็มารุธรรมในพระโสดามัน แต่นี่แค่ปัจุบันนะับางท่านในบรรลุธรรมเป็นพระอารหันต์เลยเพราะเจอทุกข์เช่นพระาิสตเทวรัร่างกายเป็นแผลผู้ พ, พองเต็มตัวส่งกลิ่นเหม็นไม่มีใครดูแลรักษาไหวพระก็หนีถอยทำให้ท่านเนี่ยนอนกองอยู่นอนอยู่บนน้ำเลือดกองกองอุจระปัสสวะ น้ำเหลือง เ, เป็นที่น่าอเนตอนาถมากผู้เจ้าเสด็จมาก็มาช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวเอาจีวรไปซักไปต้มไปผึ่งพระติสาก็เริ่มสบายเนื้อสบายตัวขึ้นแล้วก็มีความปลื้มที่ผู้เจ้าเนี่ยสงวงใ่แต่ทุกเวทนาเหล่านั้นบีบคั้นมากกำลังจะตายนะก้ตายแล้วผู้เจ้าแสดงธรรม ซั้นๆซึ่งเป็นที่มาคาว่าบางสุขุณเป็นคาถามางสุขสุขเป็นก็บอกว่าร่างกายยีงไม่จีรังครั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็ถูกคนทิ้งก็จะนอนทับซึ่งแผ่นดินเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้คนธรรมดาฟังเนี่ยก็อาจจะเฉยๆไม่ไม่เท่าไหร่อาจจะสรจสดสงเวทสักนิดแต่ว่าพระติสารเนี่ยจเจอทุกข์กับตัวแล้วก็เห็นว่าสำคัญเป็นทุกข์มาก พอท่านได้ฟังทำเช่นนี้เนี่ยจิตก็สว่างโพลงเลยปัญญาเกิดจิตหลุดพน้นคือเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์นะพอเหนว่าเป็นทุกข์นี่ก็วานเลยไม่ยึดต่อไปแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บางท่านเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขณะที่ถูกเสื้อกัด ไอตอนทุดดงนี่ยังไม่เท่าไหร่นะปัญญายังไม่ค่อยเกิดนะแต่พอเจะถูกเสือกัดนี่พูดท่านได้สติเลยนะท่านบอกท่านเนี่ยถูกเสือกัดใช่ไขณะที่เสือกำลังขย่าท่านพิจารณาเอาเวทนาเป็นอารมณ์เอาความความเจ็บความปวด น, นี่เป็นอารมณ์อารมณ์ในที่หมายที่ว่าเป็นอารมณ์เสักันเป็นวัตถุสําหรับการพิจารณาก็คือทําเวทนาลูก ป, ปัสนานั่นเอง ความเพราความปวดเกิดขึ้นแต่ว่าท่านเห็นมันถ้าไม่เป็นนะพูดง่ายๆอย่างที่เราพูดอย่างที่พูดตะวันตกี น, กนี้ความปวดเวทนาเกิดขึ้นแต่ไม่สวยเวทนานั้นความปวดเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าเห็นมันไม่เป็นมั น, ไ ม, นไม่เป็นผู้ปวดท่านก็เห็นเนะวทนาสังคาญเป็นทุกข์มากคือทุกขังไี่มันแสดงตัวอย่างชัดเจนเนี่ยในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยิตท่านก็หลุดพ้นเลยนะ แล้วก็เช่นเดียวกับพระติสาเทละคือว่าจิตบุพนเนี่ยในขณะเดียวกับที่4ีลมนะที่เราสมมครสีสีเห็นไหมครับว่าความทุกข์นี่นะมันเป็นมันเปนตัวเล่นที่ทำให้เห็นธรรมได้เร็วมากเลยแล้วก็จะมีตัวอย่างแบบนี้เยอะนะคนที่คนที่บรรลุธรรมเนี่ยเพราะว่าเจอทุกข์บีกั้นแม้กระทั่ง บางท่านเนี่ยบวชมาเจดปีก็มียี่ปีก็มีอยงเ่นท่านสัพพทาสเถระบวชมาเจ็ปีไม่เพาะความสมบเลยท้อแท้หมดหวังจะศึกก็ไม่ก็ก็อายเขาหรือว่าศึกแล้วจะศึกไปก็กลัวคนตำหนิติฉินไม่มีทางไปข้าตัวตายดีกว่าแต่พอลงมือข้าตัวตายเนี่ยเวทนานี่มันเกิดแรงกล้ามาก ถ้าท่านมีสติเห็นเวทนานั้นเห็นแล้วสังขารเป็นทุกข์มากจิตบุลุนเลยนะไอตอนปฏิบัติสบายสบายไม่บรรลุนะแต่ตอนเจอทุกข์จนเกียรจะตายโอ้บรรลุเลยเพราะว่าทุกข์มันสอนธรรมครับสอนไตรลักษณ์สอนออให้เห็นสัยธรรมความจริงที่ทำให้จิตเนี่ยปล่อยวาง อะไรที่พดมาทั้งหมดนี่น ก, ก็เป็นเรื่องของสมัยพุทธการนะแต่ว่าในในมาถึงยุคนี้เนี่ยถึงแม้เราอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะบรรลุธรรมเป็นพระเดยร์จารย์พระหรหันหรือว่าอาจจะอาจจะหวังแต่ว่ารู้สึกมันไกลแต่แม้กระนั้นเนี่ยให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถจะเป็นตัวเร่งให้เราเนี่ยเห็นธรรมได้ นิวผู้หคนหนึ่งเขาตอนเป็นนักศึกษาก็เป็นดาวดาวมหาเทเลไลทยอายุ21ก็เป็นดาวมหาเทเลไลท์นะเพราะเธอสวยแล้วเธอก็ภูมิใจในหน้าตาของเธอรูปร่างหน้าตาของเธอไปสมัครงานไปไปเป็นริตตี้นะก็ได้งานทําไม่ยากริตตี้เมื่อสักหกเจ็ดปีก่อนคงไม่ใช่แบบสมัยนี้นะ ผมเรียบร้อยกว่าสมัยนี้นะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเธอก็ไปรู้จักผู้ชายคนหนึงทางอินเทอร์เน็สมัยนั้นยังไม่มีเฟซบุ๊กอันนี้ประมาณปีห้าสิบห้าศูนย์ห้าหนึ่งเนี่ยที่มันเริ่มแพ่หลายมันต่ประมาณห้าสองก็ติดต่อกันปรากฏว่าผู้ชายก็หลงรักเธอแต่ว่าพอเจอกันเธอก็บอกเธอก็ไม่มีไม่ดีใจกับเขาอย่างนั้นผู้ชายโกรธมาก เอาน้ำสดน้ำกรดสารหน้าเธอเสียโฉมเลยนะตาบอดไปข้างหนึ่งคนที่เคยภูมิใจในรูปร่างหน้าตาตัวเนี่ยแล้ยอายุแค่ยี่สิบสามี่สิสี่เนี่ยพอเจอวันที่ข้างเนี่ยรู้สึกแล้นับเอคนดับผู้ที่จะฆ่าตัวตายแต่ว่าก็นึกถึงแม่ไม่อยากทำร้ายใจิตใจแม่ก็เลยกล้ากลืนฝืนทนอยู่ต่อไปแต่ว่า ต้องย้ายบ้านเพราะว่าทนไม่ได้ที่จะไปเห็นทนไม่ได้ที่จะอยู่ใกล้ๆคนที่เคยชื่นชมหรือเห็ความสวยของเธอไปในที่ที่เขาไม่เคยรู้จักเธอมาก่นอนน่าสงสารมากนะแต่ว่าผ่านไปไม่กี่ปีนะไม่แค่สองสามปีเนะี่ยมงเธอกลาเป็นคนใหม่เลยหน้าตาเธ อ, อยังเหมือนเดิม ก็คือว่ามันมันเสียไปแล้วแต่ว่าเธอไม่อกอายเวลาไปทำงานที่ธนาคารคอรเซเธอเป็นต่างงานคอร์เซนเตอร์เธอก็นั่งรถไฟฟ้าอย่างคนทัวไปไม่ได้ปิดหน้าปิดตาอะไรเลยมีคนมาถามเธอว่าคุณคือเค้กใช่ไหมเธอไปออกรายการโทรทัศน์เธอก็ก็ยิ้มรับนะว่าถูกต้องแล้วค่ะพูดเรียนสัญญาณปัญญา ถูกต้องแ ล, ล้วครับถูกต้องคา่าร้อเล่นเนี่ยไม่ได้อับอายเลยแล้วเธอก็มีความสุขการทำงานไปที่รักของคนอะไรทำให้เธอเปลี่ยนนะเคยมีคนถามเธอว่าโกรธคนที่เขาสั่ผู้ชายที่สารนำกดใส่เธอมเธอบอกไม่โกรธเลยเธอบอกว่าเหตุการณ์คงนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์เธอได้ซ้ำในการที่เธอเนี่ยรู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้นีมีประโยชน์เธอทาให้เธอ ไม่เพี้ยบแบไม่กดแข็งผู้ชายคนนั้นมันมีประโยชน์ยังไงอย่างแม่คือมันทําให้เธอได้อยู่กับบ้านอยู่กับพ่ออยู่กับแม่มากได้มากขึ้นสมัยที่เธอยังสวยเช่นว่าเนี่ยเธอก็มีสิ่งล่อเราเย้ายวนให้ออกไปนะไปเพลิดเพลินกับแสงสีไม่เก็ได้มีเวลาอยู่กับบ้านแต่ตอนนี้อยู่กับบ้านมากขึ้นแต่ที่สำคัญข้อที่สองคือเธอบอกว่ามันทําให้เธอได้เห็นความจริงมันมันมันทำให้เธอได้ คิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคิดเป็นผู้ใหญ่ยังไงก็คือว่าก็ได้เห็นว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จีรังไอ้หน้าตาของเธอเนี่ยให้การที่ถูกน้ํากรดสาตรนเสียโฉมเนี่ยมันก็มันก็ทําให้เธอได้ได้คิดว่าให้ความเสื่อมเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เสื่อมมันีก็ต้องเสื่อมมันหน้าใช่ไหมฮะเช่นพอแก่เนี่ยมันก็ต้องเสื่อมมันต้องเหี่ยวมต้องย่นสิ่งที่เกิดขึ้นกัเธอคือมันเกิดขึ้นเร็วกว่าคนอื่น ซึ่งก็มีข้อดีคือจะไม่เธอได้ปล่อยวางเร็วขึ้นเธอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เธอปล่อยวางง่ายใครจะพูดอะไรนะใครจะเตะชินอะไรันรนิมทาอะไรเธอเธอไม่ไม่ไม่หวั่นไหวเลยเพราะว่าที่หนักกว่านี้เนี่ยคือการที่เสียหน้าเสียโฉมเนี่ยเธอก็ปล่อยได้เฮ้ยมันทำให้เธอเป็นผู้ใหญ่เร็วนะมันทําให้เธอปล่อยวางได้เร็วมากนักปฏิบัติาบางคนอาจจะทําให้ถึงขนาดนี้ ก็ยังรักสวยรักงานอยู่ปฏิบัติมาสิบปีย0สิบปีแต่เธอนี่แค่สาสิปีเธอวางได้เลยนะอันนี้คือทางรักไงตัวตลวงยังชอบทางรักอยู่นะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะมันก็ต้องต้องใช้มันแล้วน ะ, ะต้องจับใช้ประโยชน์จากมันแล้วจะเอามาเป็น เป็นตราบาปของเราไม่ได้จะเอามาันมาเป็นเครื่องทุนทิ้งเงินใจเราไม่ได้เสียโฉมแล้วนะก็อย่าใจเสียหรือแม้ต้องได้กําไรคือได้ธรรมะถ้าเธอเธอเสียโฉมแต่เธอมีชีวิตที่มีความสุขเพะเธอปล่อยวางได้ไดไง่ายขึ้นเบาสบายกว่าเดิมแล้วคนที่เป็นมะเร็งคนที่พิการเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาเขาเห็นทําได้เร็วนะฮะไอตอนที่ไม่ป่วยนี่ก็ยัง ขูกครับรับอยู่แต่พอพอปวยเป็นมะเร็งนี่ก้าวหน้าเลยนะส่วนหนึ่งเพราะว่าความตายมันเป็นมันเร่ง ม, มันรีบ ม, มันเป็นตัวบีบคั้นให้เร่งรีบปฏิบัติหรือว่ามันทําให้บีบทำมันมันตัวกระตุ้นให้ปล่อยวางมากขึ้นเพื่อจะมาเป็นมะเร็งเต้านมเธอเสียชีวิตไปแล้วสิบปีที่เธอบอกว่าตอนช่วงสองปีสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่เธอมีความสุขมากเพราะว่า เธอได้ปล่อยวางอะไรตออะไรมากมายหลายอยา่างพอรู้ว่าจะตายและเธออยากจะตายในสภาวะที่จิตสบายเธอก็ปล่อยความตายมาสอนให้เธอรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นสารณะที่ที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยเอาไปไม่ได้สักอย่างมันก็ทำให้เธอเนี่ยปล่อยปล่อยปล่อยแล้าเธอก็เบานะ นี่มันเป็นตัวเร่งนะมันเป็นทางรักนะดังนั้นเนี่ยมองแบบนี้เนี่ยเราเวลาเราเจอทุกข์นะอย่างที่เราได้สวดสัททีอิทตอนชาเนี่ยความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักพลาดพลาจากสิ่งที่รักปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันเป็นทุกข์ก็จริงแต่ว่ามันสามารถจะเป็นตัวเร่งให้เรา ได้เห็นทมได้ไหวในวงการธุรกิจนั้นก็มีหลักอยู่ข้อหนึ่งใช่ไหมฮะ high risk high return <c oughs> เสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงใช่ไหม <c oughs> ถ้าไม่อยากเสี่ยงผลตอบแทนก็นิดนหน่อยหน่อยนี่น้อยาแไดผลตอบแทนสูงต้องเสี่ยง <c oughs> พอสิ่จริงเขาบอกว่าอยากได้ลูกเสือต้องเข้าท่าเสือใช่ไหม เราเข้าทําเสือนี่เสียเส่ยงไหเสี่ยงแต่ถ้าได้ลูกเสือมานี่หโวคุ้มเลยทุกมันเป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าพอเราเจอแล้วเนี่ยมันสามารถจะให้ผลตอบแทนทางธรรมได้สูงแต่ถ้าเกี่ยวข้องไม่เป็นวางใจไม่ถูกมันก็พาไปอาบายได้ตกลงรกทั้งเป็นได้เนี่ย ก็เมือนก็หพุ้นตัวที่เสี่ยงเนี่ยนะ ถ, ถ, ถ้าถ้าถ้าซื้อถูกถ้ายอมเสี่ยงก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงแต่ว่าถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาก็รูดระนาวอันนี้วงการธุรกิจเป็นอย่างนั้นในวงการธรรมั ก, ก็ ค, คล้ายกันนะคือตัวทุกเนี่ยนะมันสามารถจะเป็นตัวเล่งเป็นทางลัดให้เห็นธรรมได้เร็วแต่ถ้าเกี่ยวข้องกันมาไม่เป็นนะอาจจะแย่ ความตายก็เหมือนกันนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะพุทเจ้าะว่าเรื่องความคลาดพลาดสูญเสียความเจ็บความป่วยความตายซึ่งเป็นสุดยอของความทุกข์ก็เหมือนกันอาจารย์พุทธาบอกว่าไอ้วินาทีที่จะตายเนี่ยไอ้นา ท, ทีสุดท้ายเนี่ยเป็นนาทีทองคือมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้มากเพราะว่าจะเห็นสัจธรรมได้แจ่มแจ้ง แต่ถ้าวางใจไม่เป็นนะก็อาบายนะคนที่ตายแล้วไปอาบายนี่ก็เยอะ ห, วหอ่วงหาอาวรหรือว่ายังยึดติด ก, กับสิ่งต่างๆมากมายใจปฏิเสธใจผลักใส่ไม่ยอยาละความตายขัดขืนต่อสู้ความตายอันนี้อาบายเลยนะถ้าเกิดว่าจิตสุดท้ายที่เป็นอกุศลแต่คนที่วางใจเป็นนี่ผมพุ่งเลยนะ หลุดพ้นจากรัตตสงสารเลยไปได้อ ย, อย่างที่ตัวอย่างที่ตะมาเล่าหลายคนบรรลุธรรมตอจะตายมันเป็นตัวเร่งมันเป็นทางรัศมัีคิดผูกว่าทุกนเนี่ยมันมีประโยชน์มันเป็นทางรัศถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันเป็นเกี่ยวยังไงก็คือต้องรู้จักเห็นทุกอย่าเป็นทุก อาเรสัตวนะรู้จักจ ะ, จะสอนเรื่องกิณญาสัตว์ด้วยกิณญาสัตว์คือว่าจะมีท่าทีอย่างไรต่ออริยสัตว์แต่ละข้อทุก น, นะท่าทีที่ถูกต้องคือกําหนดรู้กําหนดรู้ในที่นี้ท่านใร้คำว่ า, ป ร, ญญานะปริญญาปริญญาญาปริญญาญาปริญญาคือรู้รอบรู้ทั่วจะรู้รอบรู้ทั่วจะต้องเห็นนะ เห็นมันไม่ใช่เป็นถ้าไม่เห็นจะรู้ได้อย่างไรถ้าเป็นก็เหมือนก็ถูกทุกครอบไว้มันก็ไม่เห็นต้องเอาดึงจิตออกมามองเหมือนกระเจะเห็นโลกว่ามันรมและมันไม่ีพรมแดงอย่างที่เราคาดคิดเนี่ยก็ต่อเมื่อเราอยู่นอกโลกใช่เราจะเห็นโลกได้ดีสุดเราจะรู้จักโลกได้ดีที่สุดก็อตอนที่เราอยู่นอกโลกอยู่ในยานอวกาศนะ นั่นก็คือมุมหรือจุดที่เราจะเห็นโลก ร, รู้จักโลกได้ดีที่สุดแม้กรั่งเราเชื่อโลกนิแบลนเราเชื่อว่าโลกเนี่มันราบเราเชื่อโลกนี่มันมีทุนแดนมันไม่มีเลยสักเส้นจะเห็นได้ก็เพราะเราอยู่เหนือโลกเราเห็นมันเราถึงจะรู้จักมันในแท้จริงาทุกข์ก็เหมือนกันนะเราจะรู้จักมันเราก็ต้องเห็น และเห็นด้วยการที่ดึงเจตออมาดูแต่ถ้าเข้าไปเป็นเนี่ยมันก็ไม่เห็นมันก็ยังจมอยู่ในอวิชชาและเราต้องฉลาดนะในการที่จะใช้ประโยชน์จากความทุกข์และที่จริงนะอนตาตมายอยากจะพูดถึงขั้นว่าจะรอให้ทุกข์มันเกิดกับเรานี่ ม, นมันอาจจะไม่พอนะ อย่าว่าแต่หนีเลยนะบางทีรอให้มันมาหาเราเนี่ยมันยังไม่ยังไม่ทันการนะบางทีต้องเข้าไปหามันด้วยเข้าไปหามันเดินหน้าเข้าหาทุกเอาเช่นแทนที่จะภาวนาอยู่ในในห้องแอร์ใช่ไหมเราก็ออกไปภาวนากลางแดดเดินเท้าเปล่าอาตมาเนี่ยเวลาพาคนเดินตรงกลมนั้นไม่เคย ไม่เคยพาไปสบายพาไปลำบากทั้งสิ้นเดินถอดรองเท้าเดินเหยียบพื้นปรวดเหยียบหินหมดกับบ้างเพื่อให้รู้จักมีสติเห็นเวทนาให้รู้จักวางใจเป็นกลางต่อเวทนาให้มีสติเห็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นและหลายคนจะพบว่าเห็นความปวด ก็เป็นผู้ปวดมันต่างกันมาก <c oughs> หลายคนได้เห็นความปวดว่ามันต่างจากการเป็นผู้ปวดมีเวทนาแต่ไม่สวยเวทนามันเป็นอย่างไรแล้วก็จะพบว่าเออมันปวดเท้านะแต่ใจไม่ปวดหลายคนนะบอกบอกว่าเนี่ยพอตื่นไม่ได้สามสีวันเนี่ยเห็นเลยปวดเท้าว่าจริงแต่ใจไม่ปวดนะ แรรมะยิ่งจัดเดินธรรมะย่าตรากาหนักกว่านี่นะเดินกันทั้งวันเจ็ดแปดวันคมขวัญคือว่ากายเหนื่อยใจไม่เหนื่อยเหนื่อยแต่กายใจเบิกบานร้อนแต่กายใจสมบเจ็นมันไม่ใช่แค่คมขวัญแต่มันทำได้และจะทำได้ยังไงก็ต้องไปเจอจะมาอยู่ในห้องแอร์แบบนี้เนี่ยมันไม่เห็นนะ ร้อนแต่กายใจสมงบเย็นเห็นได้อย่างไงในห้องไหนมันต้องไปขั้งหม้อใช่ไหมแล้วมันจะเห็นเองหลายคนก็บอกว่ามันมีประโยชน์มากเป็นประสบการณ์ที่ร่ำคาญบางคนโดนมดกัดนะโหทีแรกนี่โหตกมดกระทืบมดหรือว่าเขย่ากระทืบเท้าให้มดให้มดตกแต่พอพอเดินวันที่สองวันที่สามมือรู้เลยนะ มันเจ็บก็จริงนะแต่ว่าใจไม่ได้เจ็บด้วยแทนยนังเลย น, นะเออเวทนาก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งกายก็อันหนึ่งเห็นขันแยกวอามาเลยนะไม่ได้เห็นจากไหนเห็นจากทุกนะเพราะนี่ยถ้าไม่ไปเดินแบบนี้ก็ไม่เจอนะนะหรือเจออาจจะเจอแต่มันช้าเนะี่ยแต่ว่าอันเนี้ยเร็วเลยนะอย่างน้อยเนี่ยมันสื่อให้เราอยู่กับทุกได้ทําให้เราอยู่กับเวทนาได้ มันสำคัญยังไงฮนะมันสำคัญก็เพราะว่าเราหนีเวชนานไม่พ้นเราหนีอนิจฺขาลมไม่พ้นหนียังไงก็ต้องเจอและทำไมเราไม่เตรียมรับมือเตรียมฝึกเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเจอกับมมนแต่เน่นนไม่ใช่ว่าไม่เตรียมตัวเลยพอเจอขึ้นมนเจอไปเจอตูเดียวก็ตกมาตายแต่ถ้าเราฝึกกรไว้ฝึกจากเวชนาฝึกจาก ความทุกเล็กๆเล็กน้อยจนกระทั่งรู้หลักรู้วิธีก็จะมีอินทรีย์แก่กล้านในการที่จะไปเจอกับเวทนาที่หนักเวทนาที่แรงกล้ามากขึ้นเจอกับอนิษารณมที่เข้มข้นกว่าเดิมนั้นเราต้องเข้าเข้าหาทุกข์นี่คือผมว่าทำไมพระเนี่ยท่านต้องทิ้งวัดไปทุตลมเพราะว่ามันสบายเนี่ยใช่ขนาดสมัยก่อนท่ัก็สบายนะยิ่งสมัยนี้ยิ่งสบายเลย ถ้าต้องทิ้งวัดไปเพื่อไปทุกตรงนี่เป็นคือการเดินหน้าเข้าหาทุกเพื่อจะเรียนรู้จักทุกเพื่อจะให้ทุกเป็นตัวเร่งให้เกิดปัญญาเกิดสติและปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะรอให้ทุกเกิดขึ้นแล้วเราใช้ประโยชน์จากมันอันนี้อาจจะยังไม่พอเราต้องเดินหน้าเข้าหามันแล้วก็ฝึกที่จะใช้ประโยชน์จากมันเพื่อการ ยกจิดยกใจให้เหนือทุกข์ให้ได้ทุกสามารถจะสอนให้เราเป็นอิสระจากทุกข์ได้เพราะในทุกข์ยังมีความไม่ทุกข์อยู่ถ้าเรารู้จักทุกข์เราก็จะรู้จักสมุทัยเมื่อเรารู้จักสมุทัยเราก็รู้ว่าเหตุแห่งความไม่ทุกข์หรือเหตุแห่งนิโรธคืออะไร ในอริยสัจสีนี้ไม่มีคำไม่มีการสอนว่าเหตุแห่งนิโรธนะมีแต่บอกว่าเหตุแห่งทุกข์คือสมุทยัยทำไมกุจะไม่สอนเหตุแห่งนิโรธนะก็เพราะว่าเหตุแห่งนิโรธนี่มันตอบอยู่แล้วในในตัวสมุทในในตัวสมุทัยเหตุแห่ง ท, ทุกข์ถ้ากลับข้างไปก็คือเหตุแห่งความไม่ทุกข์เหตุแห่งทุกข์คืออะไรคือปัญหามนาจิทธิโรคกวนหลงก็ถ้าไม่มีโรคไม่มีกดไม่มีหลงก็นิโรธ ในเรื่องสี่เนี่ยไม่มีการพูดถึงเหตุแห่งความไม่ทุกพูดแต่เหตุแห่งทุกเพราะว่ามันตอบอยู่ในตัวแล้วในตัวสมุทยสิ่งที่สำคัญกว่าคือว่าทำยังไงถึงจะทำให้เหตุแห่งความไม่ทุกเกิดขึ้นนั่นคือมัก ม, มักมงแปบคือการทำเหตุแห่งความไม่ทุกหรือเหตุแห่งนิโรธให้เกิดขึ้นเมื่อทำได้สำเร็จมักสามัคคีกันนิโรธก็บังเกิด นั้ในทุกเนี่ยนะมันมีความไม่ทุกอยู่มันมันมันสอนมันมันมันซ่อนมันเฉลยความไม่ทุกอยู่เหมือนกับสวิตไฟน่ะสวิตไฟ ท, ที่ปิดไฟก็คือสวิตเดียวกับที่เปิดไฟใช่ไหมฮะสวิตเดียวกันนั้นเนี่ยทำให้มืดก็ได้ทําให้สว่างก็ได้รูกุญแจที่ล็อกประตูคือรู้เดียวกับที่ทําให้ประตูเปิดใช่ไหมฮะถ้า ถ้าความมืดคือทุกข์นะความสว่างคือความไม่ทุกข์มันก็อยู่แล้วมันก็อยู่ในสวิตเดียวกันถ้าปิดคือทุกข์ถ้าเปิดคืออิสระผาพไม่ทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันในรูกุญแจเดียวกันเพราะเนี่ยศึกษาทุกข์ให้ดีนะเราก็จะพบความไม่ทุกข์ไดนะ้แล้วก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะก็คงยุติเพียงานี การในการ น, นำนําคคำถวายที่นบษาค่ะ